เรื่องฝนตั้งเขาสมัยนั้นคนทั้งหลายในชนบทบรรทุกเกลือบ้างน้ำมันบ้างข้าวสารบ้างของฉันบ้างเป็นอันมากไว้ในเกวียนแล้วตั้งวงล้อมเกวียนอยู่นอกซุ้มประตูพระวิหารคอยว่าพวกเราจะทำปัตตาหารถวายเมื่อได้โอกาส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 ก็เมฆฝนใหญ่ตั้งเขาขึ้นแล้วพวกเราจะปฏิบัติอย่างไรเล่าลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้นาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นสงจงสมมุติวิหารอยู่สุดเขตวัดให้เป็นกับปิยภูมิแล้วให้เก็บไว้ ในสถานที่ที่สงมุ่งหวังคือในวิหารเรือนมุงแถบเดียวปร า, าสาทเรือนโล้นหรือถ้ำ